มีศรัทธาในการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะการศึกษาพระพุทธวงศ์ทั้งหลายสามารถทําให้จิตใจนั้นได้โครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าเลไล้อย่างด้วยกันแล้วก็ได้โครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าเลไล้พระองค์ทําให้เห็นความหลากหลายของพระพุทธเจ้านะที่เรียกว่าความแตกต่างกันในเรื่องชาติเรื่องโพตเรื่องตระกูลนะในเรื่องการ บำเพ็ญเพียรทำทุกระกิริยาหรือว่าในการแสดงประกาศพระธรรมความแตกต่างกันในด้านการที่มีผู้มาตรัสรุธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วก็ในแต่ละอสงไขแล้วก็แต่ละกลับ เ, นะเหตุการณ์มีอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวงศ์คำพูดที่ถือพูดถึงอดีตก็เป็นสิ่งที่ ยิ่งว่าตกลงไปในหลุมมืดจะนึกอดีตอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดจากการศึกษาพุทธวงเนี่ยนะทำให้เรารู้จักและเรื่องคาเมื่ออดีตที่ผ่านมาอดีต1กับสองกับหรืออดีตสามสิบกว่ากับหรืออดีตเก้าบกว่ากับหรืออดีตพั0แกับหรืออดีต3 0,000 กับหรืออดีตเมื่อเก้าเมื่อแสนกับหรืออดีตเมื่ออสองขยแสนกับ หรืออดีตเมื่อสองอสงไขยแสนกับรืออดีตเมื่อสามอสงไขยแสนกับอดีตสอสงไขยแสนกับอย่างน้อยก็สามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะในของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เราก็ยังพอได้ระลึกว่าเออเมื่ออดีตสอ0 0ักว่าปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเมื่อสองพันร่วม600ปีที่แล้วมีเหตุการณ์เราได้บ้าง พระโพธิสัตว์ท่านจุติมาจากสวรรค์อย่างไรท่านปฏิสนธิในพระคันย่างไรพระองค์อยู่ในพระครันย่างไรมีการประสูติอย่างไรเมื่อประสูติแล้วพระองค์ออกมาบวชเพราะเหตุการเหล่าใดบวชแล้วทําอะไรบ้างเมื่อบวชแล้วปฏิบัติตรัสรู้อะไรแล้วท่านตรัสรู้และท่านสอนอะไรนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนมีผู้ที่ตรัสรู้ตามบ้างไหมตรัสรู้ว่าอย่างไรตรัสรู้มากไหม นะภาษาพระองค์นี้มีพระชนมายุยืนขนาดไหนเหตุการณ์ตอนปรินิพานเป็นอย่างไราศาสนาหลังปรินิพานมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนะจบมาจนยุคปัจจุบันไม่อย่างนั้นก็ระลึกถึงอดีตก็มืดไปหมดเลยนะนะแปลว่าตกลงไปในหลุมใหญ่ที่มันมืดมิดเนี่ยนะคืออดีตตการและขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้แต่อดีตอย่างเดียวทําให้เอื้อมเข้าไประลึกถึง อนาคตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทก็ยังพอเข้าใจเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดันั้นเราควรจะจัดแจงจัดการบริหารกำหนดทิศทางในการใช้ชีวิตอย่างไรโดยที่ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปดันั้นเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจประโยชน์3ามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ ศึกษาพุทธวงศ์อย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะระลึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้สมัยนั้นเคยยิ่งใหญ่เหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่เหลืออะไรจากการศึกษาพุทธวงศ์เราก็มาระลึกดูว่าเออเหตุการณ์ที่เรากําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นี้มันก็มีอยู่ชั่วระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็อันตรธานเลอะเลือนลืมไปหมดไปอันตรธานหมดสิ้นไปต่อไปก็บอกว่าผ่านไปแล้วยุคนั้นหรือว่ากลับนั้นก็สิ้นไปแล้วเนี่ยนะ หลายท่านอาจจะเป็นผู้มีบุญในอนาคตมานั่งระลึกระลึกชาติได้สมัยนั้นเคยไปเจริญกุศลที่นั่นเจริญว่าอย่างนั้นนะเจริญได้เท่านั้นเพียงนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปสู่ที่ตรงนั้นเป็นตนก็จะระลึกนะนะพอนจะอีก 2- อสล้านปีหรืออีก4ีหสงไขหรือเข้าไปหรืออีกสัก4ีหกับหมื่ยกับพันกับแสนกับก็ระลึกความหลังเหล่านี้ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนนะ มันก็จากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรามองอดีตก็พอเข้าใจว่าอนาคตควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ต, ตามพระพุทธศาสนานั้นควรจะเป็นเช่นใดหลังจากเหตุการณ์ในการศึกษาเรียนรู้พุทธวงศ์วงของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้เราก็จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ผิดพลาดใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทไม่อย่างนั้น เกิดมาเจอเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็พูดแบบภาษาที่เขาดูหมิ่นเหยียดยามงเขาบอกว่าเสียดายชาติเกิดเขาบอกงั้นนะแต่ถ้าหากว่าพูดไพเราะหน่อยก็บอกเสียสูญสูญเสียเวลาชีวิตไปเปล่านะแต่ว่าเขาพูดก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าเสียดายชาติเกิดอุตส่าห์ทำบุญกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้อะไรติดตามไปเลยเนี่ยนะเหมือนกับว่าท้องฟ้าใหญ่เราเกิดมาประสบพบเห็นท้องฟ้าแต่ไม่กล้าหายใจฉะนั้น นะไม่ทาราบกลูอะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้บุญกุศลก็ยิ่งกว่าไม่ได้หายใจอีกเพราะเราได้รับอริยทรัพย์ได้รับมรดกอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้างจากวันเวลาที่สูญเสียไปเมื่อกี้ก็นั่งนึกเออเนี่ยเราก็มาที่นี่นานเหมือนกันนะเนี่ยจะครบรอบสองปีแล้วอีกไม่นานก็แป๊บแป๊บแป๊เดี๋ยว ก, ก็ตายจากกันไปเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อน เดี๋ยวว่าจากกันไม่จากเป็นก็จากตายสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แล้จะไปคาดอะไรหวังกับสังขารทั้งหลายมันเป็นเรื่องปกติของสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นก็มีอันอเสร็จสิ้นเสร็จแปลว่าแล้วก็สิ้นหมายถางว่าในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็มีอันแตกทําลายเสียหายสูญสลายไปในที่สุดเนี่ยนะจะไปคาดหวังอะไรกับ ฟองน้าจะไปคาดหวังอะไรกับต่อมน้ำจะไปคาดหวังอะไรกับพยับแดดจะไปคาดหวังมุ่งหวังอะไรกับต้นกล้วยนะจะไปคาดหวังมุ่งหวังอะไรกับมายากลนะหรือนักเล่นกลทั้งหลายเราก็จะเข้าใจสังขารทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจสังขารเท่าใดอภิชาและโทมนัสในอุปาทานขันห้าก็จะลดลงไปการที่อภิชาและโทมนัสลดลงไปนั่นแหละก็เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะเจริญ วิริยาสติสัมปชัญญะที่กุศลธรรมที่เจริญเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสรอบรู้ขันห้าสติสัมปชัญญะเหล่านั้นก็เป็นมัดเป็นข้อปฏิบัติให้เราตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมันหวังว่ากุศลธรรมที่เราเรียนรู้เจริญก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เราตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถึงโลกมันจะขันห้ามันจะเป็นเช่นใดแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยนะ บุญกุศลสมถาวิปัสนาที่เกิดจากการพิจารณาขันห้าสิ่งเหล่านี้เป็นควรจะเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวต่อไปในวงของพระพุทธเจ้าอัฏทัศสีที่ส<ม>ิบสีเนี่ยนะคือในกลับเดียวกันเนี่ยนะเมื่อหนึ่งพกลับที่แล้วนับจากกลับนี้ถอยลองลงไปเนี่ยนะกลับนั้นชื่อว่าวรกลับแต่ในบาลีใช้ศัพท์ว่ามันดกลับ นซึ่งมีความหมายว่าวรกับวรกับนั้นแปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมพระองค์กับที่มีพระพุทธเจ้าสมองค์องค์ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าปิยะทะัศีองค์ที่สองอัฏฐทะัศีองค์ที่สามธรรมะทัศีเนี่ยนะปิยอัฏฐธรรมะน่นะสามคำเมื่อพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ปิยทัศีดำรงอยู่ในโลกปฏิสถานอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงพระพุทธศาสนาก็เป็นอันจบสิน้นหนทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยบอกตอนหลังบุคคลก็ไม่ปฏิบัติตามบุคคลก็ไม่เรียนรู้ตาม ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ศึกษาคิดว่าไม่คู่ควรแต่การศึกษาเขาก็จะไม่ฟังสิกขาสามของพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่ฟังวิธีการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยนะทุกก็ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ตั้งใจส่งจําไม่ตั้งใจบอกกล่าวแนะนําเปิดเผยไม่ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามไปทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ คำสอนเนี่ยนะไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่คาสอนสิ่งรลาใดที่พระองค์บอกว่าเสียหายก็ไปเร่งกระทำสิ่งนั้นสิ่งเหลาใดบอกว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ไม่ปฏิบัติตามชนผู้เป็นหัวหน้าทำเช่นใดชนยุคลังหลังก็เริ่มทำเป็นเยี่ยงอย่างก็เริ่มปฏิบัติอยู่ในมิจฉาปฏิปทามเมื่อปฏิบัติอยู่ในมิจฉาปฏิปทา ม, มากกันขึ้นกายทุจริตก็เริ่มมากขึ้น วจีทุจริโตโนทุจริก็มีกําลังยิ่งขึ้นเมื่อทุจริกรรมเป็นไปมากเป็นไปยาวและต่อเนื่องพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆสูญสลายไปในที่สุดคนก็ไม่เข้าใจคําสอนอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็ทรงจําเหลือนาโมเหลืออิติปิโสเหลือไม่เท่าไหร่แล้วในที่สุดแม้แต่นาโมก็ ตั้งไม่ได้ยิ่งยุกต่อไปนะโมตัสสะพัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะก็จำไม่ได้หนักๆเข้าก็จะเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าในที่สุดพุทธเจ้าก็ไม่เหลือไปจากโลกสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละโลกก็อันตรธานสูญหายสลายไม่มีพระพุทธศาสนาเหมือนกับโลกที่ตกเข้าสู่ยุคมืด ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนายุคที่ยุคที่ไม่มีแสงสว่างคือปัญญาพอที่จะเห็นบุญเห็นบาห์นะเห็นกุศลอกุศลเห็นเหตุแห่งความเจริญเห็นเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขอะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็สู่ภาวะอันมืดมิดมิดฉาทิฐิก็เจริญมิจฉาสังกัปปะมิดฉาวาจาเป็นต้นก็เจริญนะนะอกุศลกรรมบกก็มีกําลังแตกกล้ายิ่งขึ้นไป ก็จวบว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นนะมีบุคคลที่อาจจะมีสักท่านหนึ่งหรือหลายๆายท่านก็ตามที่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาะนะเมื่อเห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาก็มีความคิดว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นตรัสรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นพระธรรมที่ช่วยให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามพ้นจากทุกได้ นั้นควรที่เราจะสืบทอดวงเหล่านั้นเอาไว้ท่านเหล่านั้นก็จะพากันตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ยากเนี่ยนะในที่สุดแต่ว่าก็มีบุคคลเช่นนั้นอยู่แต่ว่าบุคคลเช่นนั้นก็ถือว่าไม่มากถ้าเรียกว่าบุคคลคนเดียวในโลกที่ว่านานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่การเกิดขึ้นของท่านเหล่านั้นนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อย่างพระพุทธเจ้าประนามว่าอัฏทัศสีนั้นเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปผ่านจากศาสนาพระพุทธเจ้าปิยทาาัศสีพวกมนุษย์ทั้งหลายก็เริ่มเสื่อมซามลงไปเมื่อเสื่อมซามลงไปอายุไขก็ลดลงในที่สุด10ปีตายเนี่ยนะประมาณเฉลี่ยแล้ว10ปีตายจากนั้นก็เริ่มมามีศีลธรรมใหม่ๆขึ้นเนี่ยนะบอกว่าในคำพีใช้คาว่า10ปีเอ่อหปีแต่งงาน10ปีตาย สมัยนี้ก็เริ่มเด็กปถมก็เริ่มแล้วต่อไปก็อายุจะไม่ค่อยยืนสักเท่าไหร่เพราะอนาคตโดยองค์รวมของโลกแล้วสู่ยุคเลวสามปานาติบาตก็แพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายการเมสุมิชฌาจารก็แพร่หลายมุสาวาก็แพร่หลายสุรามีไรก็แพร่หลายอากุศลกรรมมาบดก็แพร่หลาย พันอายุไขก็จะลดลงไปเนี่ยนะฝนฟ้าเป็นต้นก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลคนที่ก่อกรรมทำชั่วก็จะมากขึ้นผุดขึ้นเนี่ยนะนั้นคนก็จะมีแต่ข้อมูลวิธีการทำชั่วว่าเออเามีคนนั่นไปทำชั่วที่นั่นสติิในใจก็เก็บแต่ข้อมูลเรื่องราวของคนชั่วซ่องเสพข่าวสารแต่คนชั่วในที่สุดคนที่รับข้อมูลแบบนั้นในที่สุดก็ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ เด็ดเชื้อก็มีอัธยาศัยที่จะแก้ปัญหาคล้ายๆกับข้อมูลที่ตัวเองรับมาเมื่อรับข้อมูลปานาติบาตมามากจิตใจก็น้อมไปเพื่อปานาติบาตรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอธินาทานมามากตัวเองก็น้อมไปทำอธินาทานรับรู้ข้อมูลการเมามากก็น้อมไปเพื่อกาเมสุมิชฌาจารย์รับรู้ข้อมูลในการพูดเทศหรื อ, อ, อการดื่มสุราและเมรยัยยางสมัยใหม่เขาออกมาว่า สุรานั้นควรจะโฆษณาเมื่อไร่เพราะว่าเด็กวัยรุ่นนั้นถือถือแรงยุจากการโฆษณาดื่มสุราเนี่ยและแม้กระทั่งพวกบุหรี่เป็นต้นนั้นแสดงว่าแรงยุอายุจากบุคคลอื่นนั้นมีกําลังมากทีนี้เมื่ อ, อตัวเองได้รับการยุจากผู้อื่นก็มายุกันต่อๆไปเนี่ยนะยุยงส่งเสริมกันในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมนุษย์โดยอง์รวมก็อายุสั้นลงนี่นะอายุสั้นลงข้าวปลาอาหารก็ไม่บริบูรณ์ ปัจจัยสี่ก็เริ่มขาดแคลนนะฮะอายุก็สั้นร้อยถอยลงไปกิเลกก็มีกําลังยิ่งขึ้นจิตใจที่เศร้าหมองก็แรงยิ่งขึ้นจนกว่านู่นแหละจนถึงขีดสุดๆนั่นแหละก็แล้วค่อยเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นับขึ้นมาใหม่อายุไขก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรม เมื่อตั้งอยู่ในศีลในธรรมอายุก็มากขึ้นเนี่ยนะสังคมก็สงบร่มเย็นมากขึ้นโลกก็มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นทุกคนยิ่งมีศีลมีธรรมเท่าใดพ่อแม่มีอายุน้อยแต่ลูกก็มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะลูกก็มีอายุมากขึ้ น, ร, นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อายุมากขึ้นเป็นเท่าตัวของพ่อของแม่อายุก็พัฒนาเพิ่มขึ้นไปจนถึงโน่นอ่ะอสงไขยปีแล้วค่อยลดลงมา ลดลงมาจนถึงในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัทธทัศีพระองค์ก็เกิดขึ้นในโลกเป็นพระพุทธเจ้าผู้มียศยิ่งใหญ่พระองค์กำจัดความมืดใหญ่คืออวิชชาบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมก็เรียกว่าแยกระหว่างหัวสายวัตตะกับสายวิวัตตะว่าสายวัตตะสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวไปในวัตตะเวียน่าวตายเกิดขึ้นต้นด้วยอวิชชาความไม่รู้ความไม่รอบรู้ ความไม่อยากรู้ความไม่ต้องการจะรู้นะส่วนสายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขึ้นต้นด้วยปัญญาขึ้นต้นด้วยความรู้พระองค์ก็ได้ถึงความรู้ที่สูงสุดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสัปดาห์ที่แปดเท้ามหาพรมอาราธน า, านะอาราธนาให้แสดงธรรมพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจากยังหมื่นโลกธาตุนีย่ยนะ โลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่มด้วยอตมตะธรรมให้อิ่มด้วยธรรมที่ไม่ตายนะให้อิ่มด้วยธรรมที่ปราศจากความตายพ้นจากความตายให้อิ่มในธรรมที่พ้นจากความแก่ถ้ากล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทโดยมากก็จะยกบทสุดท้ายขึ้นมาว่าให้ดื่มอตมตะธรรมแต่ศั์นี้ถ้ารวมเต็มก็ให้ดื่มธรรมที่พ้นจากความตายให้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากความแก่ ให้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากความเกิดให้ตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากภพเนี่ยนะให้ดื่มธรรมที่พ้นจากอุปาทานให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากตัณหาเวทนาผัสสลายตนะนามรูปให้พ้นจากวิญญาณให้พ้นจากสังขารและให้พ้นจากอวิชชานั่นเอ ง, งพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้นิโรศจะด้วยอริยมรรค อย่างที่กล่าวว่าข้อความในพุทธวงศ์นั้นเนื้อหาสรุปสรุปหลักๆใหญ่ๆมีอยู่สองอย่างคือขอไปสอย่างอย่างที่1ก็คือเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สรรพสัตว์ตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆมีอยู่กี่ครั้งแต่ละครั้งปริมาณผู้ตรัสรู้เท่าไหร่แล้วก็อย่างที่สองสาวกสันิบาตการประชมพระสาวกเพื่อแสดงปาฏิโมกข์เนี่ยนะมีอยู่ครั้งใหญ่ๆอยู่กี่ครั้ง ที่มีผ้าอหัรมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ละครั้งมีจำนวนเท่าไหร่กลุ่มที่สก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าเมืองเป็นที่เกิดของพระองค์พุทธบิดาพุทธมารดารายละเอียดเกี่ยวกับตัวพระองค์แล้วก็สิ่งรอบรอบตัวพระองค์เองเนี่ยนะพระพุทธบิดาพุทธมารดาสนมบริวารบ้านช่องออกบวชบาเพ็ญเพียรทุกแสดงธรรมอะไรอย่างเงี้ยกราละเอียดเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าในที่สุดภัสรีรธาตุของพระองค์เป็นเช่นใดนั่นเองสําหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศน์นั้นพระองค์มีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมใหญ่ๆอยู่สามครั้งด้วยกันครั้งแรกพระองค์เนี่ยแสดงธรรมนั้นมีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกดส่วนครั้งที่สองพระอัฏฐทัศน์ผู้เจ้าเสด็จจาริกไปในเทวโลกคือสวรรค์เพื่อแสดงพระพิธรรมนั้นมีผู้ตรัสรู้ประมาณ แสนโกฎครั้งที่3พระองค์แสดงธรรมในสำนักพระพุทธบิดาก็มีการตรัสรู้ประมาณแสนโกดการตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆสาครั้งครั้งละแสนโกฎเนี่ยนะสมแสนโกดแล้วใช่ไหมมันน่าจะมีลงเรื่องในนั้นบ้างนะแต่ถ้ามีลงเรื่องก็ไม่ได้มาฟังธรรมนี่ลงเรื่องเนาะพระอัฏฐาทศิภูตเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชมุมพระอรหันตสาวก ผู้ไร่มนทินปราศจากมนทินคือราคะมนทินคือโทสะมนทินคือโมหะมีจิตสงบตั้งมั่นปราศจากนิวรด้วยอุปจาราสมาธิอปปนาสมาธิเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธา ร, ารมทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพรองมีจิตใจที่มั่นคงประชุมอรหันตสาวกนั้นสามครั้งครั้งแรกมีผ้าอรหันตมาประชุมร่วมกันประมาณ อันน 98,000 ครั้งที่สองพระทหารตสาวกมาประชุม 88,000 ครั้งที่สามอันนพระสาวกผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นไร้หมนเทนผู้แสวงหาคุณอันใหญ่อันนร่วมการประชุมฟังโอวาทปาติโมก 77,000 น่นะก็ 98,000 88,000 78,000 เนี่ยนะนะ 77,000 ก็ถือว่าเยอะเลยนะ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราผู้เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัดพบพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆถึงจะพบพระพุทธเจ้าเหล่าใดพบพระพุทธเจ้าก็ตามหรือไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามท่านก็เป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างสมบุญสร้างบารมีถ้าจะกล่าวแล้วเมื่อพบพระพุทธเจ้าก็สร้างบุญบารมีได้มากและเข้าใจที่ทางในการสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าได้เร็วขึ้น แต่ไม่พบพระพุทธเจ้าก็ลองผิดลองถูกก็สแสวงหาคนบอกแนะนําไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อใดที่พบแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าก็จะได้บําเพ็ญบารมีมากกว่าเก่าอีกมากมายเนยนะอย่างพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งผ่านไปซึ่งชาตินั้นพระองค์ก็เป็นพราหมอนัตสร้างวัดเป็นต้นเป็นพุทธบูชาพอมาถึงพระพุทธเจ้าอัถทัตสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นชดินผู้มีตะบะสูง นะโดยมีเชื่อว่าสุสิมะเนี่ยนะสสมหรือสีอันแผ่นดินคือโลกสมมุติกันว่าเป็นผู้ประเสรศิฐสื่อสัตว์โลกทั้งหมดยกย่องว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชเมียพิญญาหอกได้นั่นแหละพระโพธิสัตว์นั้นได้ไปนำดอกไม้ทิพย์คือดอกมณทารพบดอกปทุมและดอกปริชากากัตตะมาจากเทวโลกบูชาพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คัดสรรหาดอกไม้ที่คิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสดอกไม้เหล่านั้นมาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดอกมณฑารบนั้นเป็นดอกที่มีในสวรรค์ดอกปทุมก็ดอกบัวสวรรค์แล้วก็ปริชัดตกากก็คือต้น ด, ดอกทองลางเนี่ยนะมาบูชาพระพุทธเจ้าพระมหามุนีอัฏฐาทศีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรคือ คำว่าบูชาด้วยดอกไม้เหล่านี้พระโพธิสัตว์ไม่ใช่บูชาดอกเดียวบูชาด้วยฝนดอกบัวอยังไงนนะบูชาเป็นคล้ายเป็นฝนเลยนะไม่ร่วมมนนับว่ากี่ล้านดอกเนี่ยนะก็คือเพราะว่าใช้ดอกไม้สวรรค์บูชาเนี่ยนะพันดูชาอย่างมากมายพราะฉนั้นเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้บูชานั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอนาคตังสยานพิจารณาเห็นแล้วว่าผู้นี้ จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นพระมหามุนีอัถฐาทศีก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าล่วงไปอี ก, 1, กหนึ่งันแปรือสฤาษีผู้มีตบะสูงเอาดอกไม้มาทำบูชาในครั้งนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะซึ่งท่าตถาคตก็ออกมาพิเนศกรมจากกรงกรเบลพัสเนี่ยนะออกมาตั้งตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยา พูดถึงการตั้งความเพียธรธทำทุกขะกิริยาของพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นเนี่ยนะอุกฤษยอย่างยิ่งในชัน้นต้นต้นแรกๆเลยก็คือเริ่มลดอาหารนะเริ่มลดอาหารซึ่งเขาสมัยนั้นเขาสมมติว่าดีบริโภคอาหารจนถึงแม้กระทั่งวันเดียวบริโภคอาหารเท่ากับเมล็ดข้าวสารหมายคถาว่าใช้อาหารหนึ่งวันเนี่ยนะอยู่เท่ากับอาหารเท่าเมล็ดข้าวสารร่างกายก็พร้อมกร่อมอยู่แล้วรูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องดวงตาก็ลึกเข้าไปในดวงตาเนี่ย นะตาเนี่ยลื่อลงไปพร้อมเนยนะก็ถ้าใครเคยเห็นพระพุทธรูปปางทรมาเนี่ยนะปางทุกขะกิริยานะก็บอกว่าต้นแบบจริงๆอยู่ที่ประเทศปากีสถานเนะี่ยพร้อมเนยนะเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นสะพั่งไปทั้งตัวเนะี่ยนะเขาเรียกว่าคนเนี่ยหลุดรูปปั๊บเนี่ยขนหลุดเลยเพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารท่านบอกว่าเลือดของพระองค์เนี่ยเริ่มเหือดแห้งเนื่องจากขาดอาหารเมื่อขาดอาหารปั๊บเนี่ยเลือดก็แห้งลงเมื่อเลือดแห้งก็เริ่มดูด นะนะดูสารอาหารที่มีอยู่ในร่างกายเนื้อก็ค่อยๆไขมันเนี่ยยุบก่อนเลเมื่อไขมันยุบเนื้อก็เริ่มยุบ เ, เ, เมื่อเนื้อยุบนัคนับก็พร้อมเนี่ยนะก็พร้อมลงไปในที่สุดก็พร้อมเรียกว่ารูปหลังถึงท้องรูปท้องถึงหลังเรียกว่าเอวเนี่ยใช้มือกําได้หรือมั้งแล้วก็น้องๆโครงกระดูกเดินได้นี่แหละพร้อมขนาดนั้นแล้วพร้อมอย่างนั้นก็ไม่ว่าท่านยังตั้นลมหายใจเข้าอีกอนะ กลั้นลมหายใจแล้วก็วิงเวียนศีรษะเนี่ยนะท่านแรกก็เวียนศีรษะมึนงงไปหมดหรือบางทีกลั้นลมหายใจแล้วก็ลมเนี่ยออกหูดังฟู่ฟู่เลยนะเพราะว่าพวกนี้มันมีท่อผ่านเข้าหากันมันลมมันก็ดังที่หูเนี่ยฟู่ฟู่เนี่ยนะเวียนศีรษะก็เรียกว่าแทบจะหน้าเนี่ย ม, มืดตาลายประจำเลยทีนี้มานก็เลยลงมาบอกท่านเอออย่างนั้นท่านจะมาบันเพนีเพียรทําให้มันยากไปทําไม สละคลายความเพียรไปเถอะหันกลับไปบริโภคอาหารชีวิตของท่านอยู่นานจะได้ทําบุญมากๆนะไปทําบุญไปบูชาไฟเถอะนะนะชีวิตของท่านควรจะอยู่แล้วได้ทําบุญเยอะๆทีนี้ถ้าหากว่าท่านมาทําอย่างนี้นะเปอร์เซ็นต์ตายของท่านมีพันส่วน่็คือวิไม่ว่าเหตุให้ท่านตายเนี่ยมีพันอย่างแต่เหตุให้ท่านมีชีวิตอยู่ส่วนเดียวนะเทวดามาบอกนี่หลายท่านไหมอาจจะเชื่อเลยใช่ไหม แต่พระโพธิสัตว์ก็รับฟังนะว่าแล้วเห็นมัน ก, มนก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละถ้าพระองค์คืนทําต่อไปต่อไปนานผ่านตายนี่ก็เป็นอย่างนิมานว่าเหตุแห่งความตายมีอยู่พันเปอร์เซนนะกัรอดเปอร์เซ็นเดียวยนะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าสําหรับพยามานแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาในสันติวรบทสําหรับพยามานแล้วไม่มีศรัทธาใน พระนิพพานสําหรับพยามานนั้นขาศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้พระนิพพานเพราะนั้นสําหรับพยามานนั้นไม่ต้องมาพูดถึงพระองค์ก็เลยบอกว่าบอกมาเนี่ยนะบอกว่าท่านควรไปบอกสําหรับคนที่เขาอยากได้บุญสินะนะถ้าจะแนะนําใครก็ต้องแนะนําคนกลุ่มเดียวเขาที่เขาต้องการสําหรับเราไม่ต้องการบุญเหล่านั้นหมายถึงว่าบุญเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อชาติชรามรณะบุญเหล่านั้นเราไม่ต้องการ เพานไปบอกเขาเหล่านั้นแต่ว่าที่เราทําอย่างนี้เนี่ยจริงอยู่ร่างกายของเราจะพ่ายพร้อมลมหายใจของเราเนี่ยมันจะแผ่วแต่ว่าก็มีกําลังนะแล้วพระองค์ก็เล่าไปถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระนิพพานนั้นพระองค์จะปฏิบัติถึงร่างกายจะพ่ายพร้อมเหน็ดเหนื่อยอย่างไร แต่ใจของพระองค์นั้นผ่องใสใจของพระองค์ก็เลื่อมใสยิ่งทําใจยิ่งเลื่อมใสศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเพราะนพระองค์ก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อไปแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็มีปัญญาพิจารณาว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถทําให้พระพุทธเป็นปรัสรู้ได้พระองค์ก็หวนระลึกถึงอานาปานสติที่เคยเจริญเมื่ออายุหกขวบเนี่ยนะ จแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนที่จะเจริญอนาปานสติลักษณะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายขาดอาหารขนาดนี้คงเจริญยากพระองค์ก็เลยกลับมาบริโภคอาหารมาสเสวยพระกยอาหารเมื่อพระองค์ฉันอาหารเนี่ยนะร่างกายก็เริ่มมีกำลังขึ้นก็ผิวพรรณก็กลับมาเช่นเดิมทุกประการนะเมื่อพระองค์มีสรีระที่ดีขึ้นแล้วพระองค์ก็มากลับเจริญกรรมฐานคืออนาปานสติเนี่ยนะในวันที่ตรัสรู้ พันก่อนหน้านั้นมาเนี่ยไม่ใช่พระองค์ไม่รู้จักวิธีเจริญศรัทธาไม่รู้จักวิธีเจริญวิริยะสติสมาธิและปัญญาและพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยฟุ้งซ่านเลยถึงจะเจริญด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าฟุ้งซ่านก็คือเพียงแต่ว่าจิตมันไม่ดํารงมั่นนิดหน่อยแต่ไอาฟุ้งแบบเบลอไปเลยเนี่ยไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้านะพันพระองค์ก็เจริญกุศลวิตกมันระยะเวลาหปี ในการบำเพ็ญเพียรของพระองค์นั้นมีท่อฐานสายบุญสายกุศลที่หลั่งไหลไม่ว่าจะเป็นสมถะและวิปั ส, สนาเรียกว่ากุศลวิตกของพระองค์เนี่ยไหลไปประดุดห่วงน้ำ น, นะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆแบบสายยางท่อพีวีซีแค่6หุนไหลแค่นั้นนะไม่ใช่เป็นแต่ไปเป็นห่วงน้ำเป็นกระแสน้ำที่ไหลเป็นมหากุศลที่หลั่งไหลตลอดเวลาระยะเวลา6ปี แล้วท่านเจริญกุศลได้อย่างเยี่ยมถึงขนาดว่าพยมานเนี่ยติดตามตลอดเลยนะตั้งแต่บอกว่าออกบวชพยมานเนี่ยติดตามตอนเป็นพระโพธิสัตว์6ปีเต็มแล้วตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งปีใช้เวลาเจปีในการติดตามพระพุทธเจ้าไม่เห็นความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวซึ่งพยมานก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเจอข้อผิดพลาดเขาจะทำลายแน่เนี่ยนะขอคือเรียกว่าหาช่องนะเป็นฝ่ายค้านตามติดตามผลงานทุกประการ ถ้ามีช่องว่าทำลายอย่างเดียวว่างานไร้ความปราณีเขาเรียกว่ามารผู้มีบาปตัวงั้นมารผู้มีบาปไม่ต้องการให้ผู้ใดหลุดพ้นไปจากเส้นทางของตัวเองเลยนะแต่ว่าพญามารก็หาเช่นใดก็ไม่พบไม่พบความผิดพลาดไม่พบทุตเจริตของพระโพธิสัตว์เมื่อไม่พบทูตจริญไม่พบบาปไม่พบความชั่วของพระโพธิสัตว์ทั้งๆ ท, ที่เหมือนว่าจะมีความชั่วให้เห็นแต่ก็ไม่มีความชั่วให้เห็น เปรียบเหมือนกาตัวหนึ่งบินไปเจอภูเขาที่มีสีคล้ายกับมันค้อนอีกาขานั้นโอ้นี่มันค้อนอาหารอร่อยสำหรับเราเลยแหละก็เลยจิกลงไปในภูเขาหินที่มีสีเหมือนมันค้นจิกเข้าไปท่าไหนจะงอยปากก็เดือดร้อนนนะจิกทีหนึ่งก็เดือดร้อนทีหนึ่งจิกหลายทีก็จะงอยปากก็หลยเดือดร้อนหลายทีไปก็หาช่องทางหาอยู่เจ็ดปีเหมือนว่าจะจิกภูเขามันค้นได้ แต่ว่าภูเขาเหินแต่สีมันเหมือนคล้ายเหมือนอ่อนแอแต่ว่าไม่มีความอ่อนแอซึ่งพระองค์ก็มีความมั่นคงนะพยายามาณก็ไม่พบช่องซึ่งการทำทุกรารกิริยาของพระพุทธเจ้านั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เธอว่าเป็นการทำความเพียรที่ยิ่งใหญ่พระเทระหลายรูปท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความเพียรเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าท่านปฏิบัต เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการทําความเพียรเป็นพุทธบูชาเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรถ้าเราจะบูชาพระองค์ก็ต้องบูชาด้วยความเพียรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลถ้าเราจะบูชาพระองค์ให้คู่ควรก็ต้องบูชาด้วยการรักษาศีลพระพุทธเจ้าผู้มีจิตสงบตั้งมั่นจะบูชาพระองค์ให้มีกําลังยิ่งขึ้นก็ต้องบูชาด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาถ้าจะบูชาพระองค์ก็ต้องบูชาด้วย ปัญญา